ใครที่คิดว่าผีไม่มีในโลกควรจะฟังเรื่องนี้แล้วก็ให้เก็บไปคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องเท็จทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นความบังเอิญหรืออย่างไรสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะคะได้เกิดขึ้นกับหัวหน้าหน่วยกู้ภยัยที่ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัยทางธรรมชาติบนเกาะพีพีเมื่อตอนที่เกิดสึนามิครั้งใหญ่แล้วก็มีคนล้มตายเป็นจานวนมากนะคะ คุณชินวรนพักนุราชค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภยัยก็ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัยทางทะเลอันเกิดจากสึนามิที่เกาะพีพีแล้วก็เป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแล้วก็ชาวไทยที่ได้เดินทางไปต่างอากาศแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจกันมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้นะคะ คุณจินาวร น, นะคะได้เล่าเรื่องราวอันตื่นเต้นแลวก็ขนลุกขนพองสุดสยองให้ฟังเพื่อจะได้บันทึกนะคะไว้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันหลังเหตุการณ์ร้ายสึนามิก็ยังมีเหตุการณ์ระทึกขวัญตามมาอย่างไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันของคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาสูงเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อนะคะว่าผีมีจริงซึ่งมันก็สวนทางกับเหตุการณ์ที่กาลังจะเล่าให้ฟังค่ะ คุณชินวอนเองทำงานอยู่ในวงการกู้ภัยมานานหลายปีแล้วก็มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยบนถนนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เขาได้พบมากับตัวเองแล้วก็ในทุกสภาพนะคะที่ได้พบเจอมาแต่ว่ากับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอมาก่อนเลย ก่อนที่ผมจะออกเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามินั้นผมไม่เคยคิดหรอกว่าจะได้พบสิ่งเล้นลับที่น่าขนหัวลุกแบบนี้เพราะผมอยู่กับหน่วยกู้ภัยมานานไม่เคยเจอเรื่องอย่างนี้เลยนี่คือคําบอกเล่าของคุณชินวรนนะคะคุณชินวรนบอกว่ามันเป็นครั้งแรกแต่ว่ามันก็ต้องทำให้เขาต้องบันทึกไว้ในความทรงจาตลอดชีวิตพูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อแต่ว่าก็เอาเถอะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ละกัน คือเขาก็จะเล่าตามที่เขาเห็นมาทั้งหมดเขาบอกว่าเขาเห็นมากับตาของเขาเองแถมยังได้นั่งคุยกันเป็นเวลานานอีกด้วยแล้วก็ในขณะที่นั่งคุยนั้นเขาบอกว่าไม่ได้คิดว่าคู่สนทนาคนนั้นคือผีนะคะแล้วก็ยังคิดว่าเธอเป็นคนเขาบอกว่าถ้ารู้ว่าเป็นผีเนี่ยเขาคงไม่เล่นด้วยตั้งแต่แรก จริงๆแล้วเรื่องผีเนี่ยคุณชินวรนบอกว่าก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวถึงมันจะทำอะไรเราไม่ได้แต่ว่าเขาก็กลัวไว้ก่อนอะเพราะว่าชื่อของมันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกมากเอาเป็นว่าจะเริ่มต้นเล่าเรื่องเลยละกันนะคะเมื่อคุณชินวรนเดินทางไปถึงที่เกาะพีพีก็เป็นวันที่27ธันวาคมปีพุทธศักราช2547ค่ะ คณะกู้ภัยได้รับคำสั่งให้เข้าไปค้นหาศพผู้บาดเจ็บจากคลื่นยักษ์ซึนามิบนเกาะพีพีซึ่งที่เกาะแห่งนี้ก็มีโรงแรมอยู่เป็นจำนวนมากโดนคลื่นยักษ์ลูกนี้ถล่มเสียหายยับเยินทำให้มีคนตายแล้วก็มีคนบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก จริงๆแล้วโรงแรมที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ล้วนแต่เป็นโรงแรมระดับดีที่มีความคงทนแข็งแรงแต่ว่าจะมีใครบ้างที่จะคิดนะคะว่าคลื่นมะหือมาลูกนี้จะถาโถมถล่มจนหักพังลงมาได้ผนังปูนประตูไม้หักสะบันหรือไม่ก็เป็นรอยปริแยกออกจากกันด้วยแรงกระแทกของคลื่นที่โถมเข้ากระทบอย่างรุนแรง แม้ว่าคลื่นยักษ์ซนามินะคะจะหันหน้ากลับลงสู่ทะเลพร้อมกับกวาดเอาชีวิตของคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงรวมไปถึงทรัพย์สินต่างๆลงไปด้วยก็ตามแต่มันก็ได้ทิ้งร่องรอยแผลแห่งความเจ็บปวดไว้เบื้องหลังโดยยากที่จะลืมลงสภาพของโตเก้าอี้ในห้องรับแขกกระจัดกระจายระเนระนาดเกลื่อนกลาด ผู้คนที่มาพักในโร ง, โงแรมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศแทบจะไม่มีใครมีชีวิตรอดออกมาได้ไม่ฝังอยู่ในซากหักพังก็โดนน้ำดูดลงสู่ทะเลนะคะคุณชินวรบอกว่าแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองเลยเมื่อเขาก้าวเข้าไปภายในห้องที่เคยหรูหราแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนสภาพเป็นห้องเก็บศพ ในช่วงระยะไม่กี่นาทีโดยภาพที่เขาเห็นอยู่เบื้องหน้านั้นเนี่ยเป็นภาพของคนจานวนมากนอนแน่นิ่งบางคนก็ตัวงอเสื้อผ้าที่สวมใส่บางคนนี่หลุดลุ่ยเหลือแต่กางเกงในช่วงบนก็เปลือยเปล่าแน่นอ น, นว่าพวกเขาเหล่านั้นโดนคลื่นสึนามิผู้เหี้ยมโหดได้กระชากชีวิตและวิญญาณของพวกเขาออกจากร่างไปแล้วเรียบร้อย อย่างไม่มีวันกลับมาเข้าสู่ร่างเดิมของพวกเขาได้อีกต้องเร่ร่อนแล้วก็ล่องลอยไปทั่วท้องทะเลันกวงใหญ่ตะโกนหาญาติแล้วก็หาเพื่อนๆนบางก็เรียกหาภรรยาและสามีรวมทั้งลูกน้อยที่หลุดออกจากอ้อมอกแต่ว่าเวลานั้นพวกเขาก็ไม่รู้หรอกนะฮะว่าตัวเองได้ตายไปแล้วตามความเชื่อของชาวพุทธบางกลุ่ม บอกว่าหลังจากชีวิตดับลงกว่าจะรู้ว่าตัวเองตายแล้วนั้นก็ต้อง3วัน7วันผ่านไปส่วนจะเป็นความจริงหรือไม่นะคะตัวของผู้เล่าเองก็ไม่สามารถที่จะรับรองได้เพราะว่ายังไม่เคยตายค่ะแล้วก็จริงๆก็ยังไม่อยากตายด้วยนะคะคุณจินาวอนนิ่งไปครู่หนึ่งค่ะแล้วก็ทบทวนถึงความหลังอันโหดเหี้ยมที่ผ่านมานานพอสมควรแต่ว่าภาพเหล่านั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเขาบอกว่าเขาจาได้ไม่เคยลืมเลือน ตอนแรกที่คุณชินวรยังแยกไม่ออกว่าศพแต่ละศพนั้นเป็นใครเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นคนไทยเราก็เก็บทีละศพพร้อมกับค้นหาหลักฐานว่าผู้ตายแต่ละคนนั้นเป็นใครอาจจะเป็นเอกสารสําคัญที่เหลือติดตัวหรือว่าตําหนิจากร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ทําเครื่องหมายไว้เพื่อให้สะดวกแก่การพิสูจน์หาหลักฐานศพ บ, บางศพร่างกายก็เปลือยเปล่าไม่ได้สวมอะไรขึ้นอืดเน่า กลิ่นก็เริ่มโชยออกไปทั่วบริเวณห้องเวลานั้นคุณชินวรกับเพื่อนร่วมงานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยก็ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดไม่ทอ้อแล้วก็ไม่เหน็ดเหนื่อยนะคะแม้ว่าจะทำงานหนักมาทั้งวันก็ตามแต่ถ้าถามว่ากลัวไหมคุณชินวรบอกได้เลยว่าไม่กลัวมีแต่ความสงสารแล้วก็ความสังเวชใจเท่านั้นแล้วก็สิ่งที่น่าสลดใจที่สุดก็คือศพของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่อายุประมาณ30ปีหน้าตาก็ถือว่าเป็นคนรูปร่างสวยมือขวาถือขวดนมใบหน้าฟุบอยู่กับเปลของลูกน้อยแต่ว่าภายในเปลนั้นไม่มีร่างของเด็กน้อยเลยนอกจากความว่างเปล่าทีมกู้ภัยของคุณจินวรนะคะก็ไปค้นหาร่างของเด็กน้อยจนทั่วห้องแต่ก็ไม่พบ ก็เลยได้สั่งให้ทีมกู้ภัยได้ออกค้นหาร่างของเด็กน้อยผู้น่าสงสารให้พบอยู่หลายวันทั้งภายในโรงแรมแล้วก็รอบนอกซึ่งอาจจะคิดว่าไปติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งการค้นหาดาเนินต่อไปแม้ว่าจะไร้วี่แววที่จะพบศพหนูน้อยคนนั้นและก็จะเจอแต่ศพก็ของคนอื่นที่ติดอยู่ในห้องแล้วก็ภายในบริเวณนั้น ก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าศพเด็กน้อยผู้น่าสงสารคนนี้เนี่ยจะหายไปไหนลอยลงทะเลเป็นเหยื่อของฉลามไปแล้วหรืออย่างไรซึ่งในช่วงเย็นของวันที่29ธันวาคม2547 กับการออกค้นหาศพคนตายที่ลอยไปติดตามกิ่งไม้หรือว่าถูกทับถมจากโคลนแล้วก็ท่อนไม้ในที่ต่างๆมันเป็นวันที่ผมเหนื่อยมากแล้วก็อ่อนเพลียมากที่สุดเพราะว่าเข้าวันที่สามแล้วความเมื่อยล้ามันก็เกิดขึ้นผมจึงได้กลับเข้าที่พักภายในเต็นท์แล้วก็อาบน้ำชาระล้างร่างกายเพื่อเรียกความกระชุ่มกระชวยให้กลับคืนมาแล้วก็แต่งตัวออกไปรับประทานอาหารเย็น หลังจากออกไปรับประทานอาหารเย็นพร้อมกับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆ อ, อาสาสมัครจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงสี่ทุ่มเศษก็เลยเดินกลับมาทางเต็นท์เพื่อนอนพักผ่อนเอาแรงสู้กับงานในวันรุ่งขึ้นอันเป็นภารกิจที่หนักแต่ว่าต้องทำแม้ว่าร่างกายจะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทำเพราะว่าคุณจินวรบอกนะฮะว่าเราอุทิศตัวเพื่อรับใช้สังคมแล้ว พอล้มตัวนอนลงบนเตียงผ้าใบด้วยความอ่อนล้าหนังตากำลังจะปิดร่างกายต้องการพักผ่อนตอนนั้นก็กำลังเครื่องหลับเครื่องตื่นหรือว่าเรียกว่าเคลิ้มนั่นเองก็มีเสียงเด็กร้องไห้แววมาเสียงนั้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนทนไม่ไหวก็เลยลุกขึ้นนั่งแล้วก็คิดไปว่าเราอาจจะคิดเรื่องของเด็กน้อยคนนี้มากไปหรือเปล่าหูก็เลยแววแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงเด็กร้องไห้จริงๆก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ย ไม่ได้หูฝาดแล้วก็คิดวกไปวนมาเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเสียงของเด็กร้องจริงๆเราไม่ได้หูฝาดจริงๆพอมั่นใจแล้วก็เลยปลุกน้องอาสาสมัครคนหนึ่งที่นอนอยู่ข้างๆให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับถามว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไหมคำตอบของน้องคนนั้นที่บอกคุณชินาวรมาคือบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคุณชินวรก็เลยนั่งนิ่งไปครู่หนึ่งนะคะพร้อมกับล้มตัวลงนอนต่อแล้วก็คิดว่าหูแว่วไปเอง ครั้นพอจะหลับก็มีเสียงเด็กร้องไห้แว่วมาอีกแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเสียงร้องมันมาอยู่ใกล้ๆเหมือนกับว่ามันมาร้องไห้อยู่ข้างๆก็เลยทนไม่ไหวนะครคุณจินดาวน์บอกอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ขืนนอนต่อไปมันก็ต้องมาอีกรอบหนึ่งจิตใจของเขาตอนนั้นเริ่มหงุดหงิดคือคนจะหลับ น, นะคะเราก็เข้าใจว่ามันมีอะไรมาก่อกวนในช่วงที่กําลังจะหลับเนี่ยมันจะหงุดหงิดมันจะโมโหเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่ว่าบางครั้งเขาก็คิดไปว่าพวกอาสาสมัครบางคนเนี่ยอาจจะพาครอบครัวมาด้วยซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะทําไมเช่นนั้นแล้วเสียงเด็กที่ร้องดังๆเนี่ยมันมาจากไหนคือถ้าไม่รู้ความจริงว่ามันคืออะไรก็ไม่ต้องนอนมันละก็เลยอยากรู้ความจริงว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงอะไรกันแน่ก็เลยลุกขึ้นนั่ง คว้าไฟฉายขึ้นมาชนิดสมท่อนมีความแรงอยู่หลายแรงเทียนเหมือนกันแล้วก็เดินออกจากเต็น์เดินไปเรื่อยๆตามชายหาดซึ่งคืนวันนั้นเนี่ยแสงจันทร์สว่างสวยนะคะแต่ก็ยังคงอาศัยแสงไฟฉายแรงสูงเป็นบางโอกาสเนื่องจากว่าไฟฉายจะช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นคุณชินวหบอกว่าเดินออกไปไกลาจากที่พักก็พอสมควรเสียงเด็กร้องก็เงียบลง ความคิดตอนนั้นคือมันเตลิดเปิดเปิงไปกับเสียงของคลื่นน้ำทะเลสาดซัดเข้ามากระทบหาดทรายเพราะว่ามันเป็นระลอกคลื่นเล็กๆยามทะเลกำลังหลับในขณะที่จิตของคุณชินวรเนี่ยกำลังเตลิดไปก็ปรากฏว่ามีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในวัยกลางคนปรากฏอยู่เบื้องหน้าห่างกันไม่กี่เมตรเธออยู่ในชุดนอนยืนหันหน้าออกไปทางทะเลอันกว้างขวาง เขาก็แปลกใจแล้วค่ะดึกดื่นป่านนี้เธอมาใส่ชุดนอนยืนอยู่ชายหาดทําไมคนเดียวไม่กลัวพวกผีหรือว่าพวกคนร้ายหรือไม่ก็พวกผู้ชายกลัดมันที่จะเข้ามาทําไม่ดีไม่ร้ายเขาก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆนีคะก็ห่างกันประมาณ2วานแล้วก็ถามว่าคุณพักอยู่ที่ไหนล่ะครับดึกดื่นป่านนี้แล้วทำไมไม่นอน แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมตอบแล้วก็ไม่ยอมหันหน้ามาทางคุณชินวอนแต่เธอก็แสดงออกด้วยการชี้มือไปอยังคลื่นทะเลที่สาดสัตว์เข้ากระทบชายหาดคุณชินวอนบอกว่าสงสัยว่าเธอหมายถึงอะไรกันแน่ก็เลยถามเธออีกครั้งหนึ่งบอกว่ามีอะไรเหรอครับคำถามประโยคนี้เนี่ยก็คงโดนใจเธอเข้าไปอย่างจังขณะที่กำลังคิดถึงสิ่งที่หายไป หญิงสาวในชุดนอนก็ร้องไห้ออกมาทันทีค่ะซึ่งคุณชินวอนบอกคิดว่าเธอคงผิดหวังเรื่องความรักก็เลยปลอบใจให้เธอทําใจสบายๆแล้วก็นิ่งซะจากนั้นเธอก็ได้เงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับหันหน้ามาทางคุณชินวอนแม้ว่าตอนนั้นจะเห็นหน้าไม่ถนัดแต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้หญิงคนนี้สวยหน้าตาดีคนหนึ่งเลยผู้หญิงคนนี้บอกว่าลูกของดิฉันกําลังหิวแต่ฉันยังไม่ได้ป้อนนม ก็ถูกน้ำพัดลงทะเลช่วยลูกของดิฉันด้วยนะคะแล้วก็ร้องไห้นะคะช่วงจังหวะนั้นคุณชินวรบอกว่าคิดอะไรไม่ออกเพราะไม่รู้จะปลอบใจเธ อ, อยังไงดีเพราะว่าเธอกำลังได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างหนักก็ได้แต่ปลอบใจเธอว่าใจเย็นๆครับหยุดร้องไห้เถอะผมจะหาทางช่วยลูกของคุณเอง ซึ่งในขณะนั้นที่ยืนคุยกัน2คนก็มีลมทะเลพัดมาเรื่อยๆพร้อมกับระลอกคลื่นเข้ามากระทบชายหาดผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงร้องไห้ปิ่มจะขาดใจไม่ยอมหยุดคุณจะให้ผมช่วยอะไรคุณได้บ้างก็บอกผมมาเลยครับผมยินดีให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่ผมจะช่วยได้เพราะนั่นคือหน้าที่ของผมโดยตรงผมมีทีมงานพร้อมจะช่วยเหลือครับ คุณชินวรก็พูดให้ความหวังผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแม้ว่าจะพูดอย่างไรเธอก็ยังคงร้องไห้แบบไม่ยอมหยุดแต่ว่าคุณชินวรบอกว่ามีความรู้สึกแปลกๆ แ, แล้วก็เสียว่าบกับเสียงร้องไห้ของเธอเพราะว่ามันเย็นเ ย, ยือกเข้าถึงหัวใจไงชอบกลนเมื่อเห็นว่าเธอไม่ยอมตอบคำถามเขาก็เลยเลิกสนใจในตัวของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ มองดูดวงดาวที่ทอแสงทอดไปทั่วทะเลก็เลยทำให้หัวใจเนี่ยก็ยิ่งเตลิดเปิดเปิงอย่างไร้จุดหมายพอหันกลับมาที่ผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าไม่รู้เธอหายไปไหนแล้วพยายามมองตามหาตามชายหาดทั้งด้านซ้ายด้านขวาแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาคือหายไปรวดเร็วแบบนี้ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ความสงสัยว่าเธอเป็นใครกันแน่ก็เลยตะโกนเรียกหาแบบเสียงดังนะคะ เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับมีแต่เสียงคลื่นนี่แหละค่ะที่มันกระทบชายหาดอยู่เขาก็เลยเดินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปยืนรอเธออยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างจนเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืน15นาทีและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะคุณชินวานบอกว่าเห็นร่างหนึ่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่ทะเลค่ะเพราะว่าถูกน้าทะเลซัดเข้ามาที่ชายหาดเป็นร่างของคนเขาคิดว่า น่าจะเป็นคนนะเขาบอกงี้แล้วก็เดินไปดูเพื่อความแน่ใจพร้อมกับไฟฉายส่องไปที่ร่างที่น้ำพัดมาเขาบอกใจหายวูบทันทีเพราะว่าร่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นเนี่ยในตอนนั้นคือเป็นร่างของเด็กอายุราวสองขวบสภาพศพเนี่ยคือขึ้นอืดแล้วแต่ว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่ ย, ยังอยู่ครบจากนั้นก็เลยกลับไปตามเพื่อนๆอนอาสาสมัครที่นอนอยู่ในเต็นท์เดียวกันลุกขึ้นมากลางดึกแล้วก็สั่งให้นาผ้าขาวสาหรับห่อศพไปด้วย ก็มีคำถามบอกว่าเจอศพเด็กที่เราตามค้นหาแล้วเหรอคะพี่คุณชินวอนก็พยักหน้าแล้วก็เดินนำหน้าไปยังศพของเด็กคนนั้นพร้อมกับจัดแจงหอ่อศพแล้วก็นำไปเก็บไว้รอญาติที่โกดังเก็บศพนะคะพอมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ไวคิดถึงเรื่องของผู้หญิงคนนั้นที่ออกตามหาลูกที่หายไปเมื่อสักครู่เด็กคนนี้อาจจะเป็นลูกของเธอก็ได้แต่ว่าจะติดต่ออย่างไรเพราะว่าเธอหายไปแล้ว คืนนั้นกว่าที่คุณชินวรจะหลับสนิทได้ก็ปาเข้าไปตี3แล้วนะคะเมื่อเข้าไปขอตรวจรายชื่อแขกที่เข้ามาพักในโรงแรมดังกล่าวก็ปรากฏนะคะว่ามีผู้หญิงที่ถือขวดนมไว้ในมือคนนั้นเธอคือนางมีนาอายุ30ปีค่ะเป็นคนจังหวัดนาราธิวาสซึ่งสามีของเธอคือนายยูซุฟอายุ35ปีเป็นคนจังหวัดยะลาทางานเป็นวิศวกร ก, ก่อสร้างทางานให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่แห่งหนึ่ง ก่อนเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมงสามีภรรยาคู่นี้พร้อมกับลูกอายุประมาณสองขวบได้มาเช่าโรงแรมตั้งแต่เวลา7นาฬิกาของวันที่26ทธันวาคมหลังจากนั้นนายยูซุปก็ได้ออกจากโรงแรมไปทำธุระตอนเวลาประมาณ9โมงค่ะก็ทิ้งให้ภรรยาแล้วก็ลูกอยู่ในโรงแรมรเผชิญชะตากรรมกับความโหดร้ายของคลื่นยักษ์นามิ ก็เป็นอันว่าผู้หญิงที่ปรากฏตัวในชุดนอนตอนนั้นที่แท้นะคะเธอคือวิ ญ, ญญาณของนางมีนาหรือว่าผีนางมีนาที่ออกตามหาลูกที่โดนคลื่นสึนามิสูบลงทะเลนั่นเองเธอคงรู้นะคะว่าคุณชินวอนซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภยัยก็คงจะช่วยลูกของเธอขึ้นมาจากทะเลได้ค่ะเสียงร้องไห้ของเด็กที่รบกวนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั้นก็เป็นเสียงของนางมีนาแซงทําให้เขาออกมาเก็บศพลูกของเธอที่กําลังลอยขึ้นมาเกยชายหาดนั่นเอง ซึ่งในวันเดียวกันนั้นวันที่คุณชินวรได้พบศพเด็กนะคะนายยูซูบได้นำหลักฐานมาแสดงว่าศพสองแม่ลูกนั้นเป็นศพภรรยาแล้วก็ศพลูกของเขาเองเพื่อที่จะนำศพไปทำพิธีกรรมทางาศาสนาต่อไปคุณผู้ฟังคะเชื่อว่าคุณชินวรนก็คงจะไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาเพื่อ เล่าให้เราฟังเพียงเพราะว่าอยากจะดังแน่นอนเท่าที่ฟังเหตุผลในการออกตามเสียงร้องของเด็กในคืนนั้นเนื่องจากเป็นเวลาดึกมากแล้วได้เวลานอนแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาทำงานหนักมาทั้งวันทั้งคืนทั้งเหนื่อยทั้งเคลียนะคะถ้าเขาไม่มีจิตวิญญาณของความมีเมตตาแล้วล่ะก็ก็คงจะไม่ออกเดินตามหาให้เสียเวลานอนแถมยังโดนผีหลอกให้ยืนคุยด้วยอีกตั้งนานนะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณชินวรหัวหน้าหน่วยกู้ภยัยที่ไปเก็บศพนะคะเหตุการณ์สึนามิที่เกาะพีพีด้วยนะคะแล้วก็อนุญาตให้เรานําเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณคุณชินวรพักนุราดมากๆสําหรับหัวหน้าหน่วยกู้ภัยในครั้งนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้ามาดูกันว่าพระเจอผีจะนําเรื่องเล่าสุดสยองหรือว่าจะเป็นตำนานเป็นประวัติ อะไรมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต้องติดตามต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กันคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยขอบคุณมากๆค่ะ